เรื่องบรรพชาให้เด็กอายุย่อนกว่า15ปีของตระกูลมีสัตยาสมัยนั้นตระกูลอุปถาของท่านพระนนมีสัตยาเลื่อมใสได้ถึงแก่กรรมด้วยไอวาตะโกโรคเหลือเพียงเด็กชายสองคนเด็กชายทั้งสองเห็นภิกษุทั้งหลายแล้วก็วิ่งเข้าไปหาด้วยกิริยาที่คุ้นเคยกันมาแต่ก่อนภิกษุทั้งหลายได้ไล่ไปเสียเด็กทั้งสองเมื่อถูกภิกษุไล่ก็ร้องไห้ขณะนั้น ท่านพระอ น, นุลได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าเด็กชายมีอายุย่อนกว่า15้าปีไม่พึงให้บรรพชาก็เด็กทั้งสองคนนี้มีอายุย่อนกว่า15ปีด้วยอยุบายอย่างรอยน อ, ย เ, อเด็กทั้งสองนี้จึงจะไม่เสียโอกาสทีนั้นท่านพระอ น, นุลจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอา น, นุ์ ก็เด็กทั้งสองนั้นสามารถไล่กาได้ไหมท่านพระ น, นกลกราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุให้เด็กชายมีอายุย่อนกว่าสิบห้าปีซึ่งสามารถไล่กาได้บัญชา